อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอนํารายการธรรมรัตน์กลับมาเสนอเป็นรายการพิเศษการสนทนาธรรมหรือสากระชาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้า ว, วันเสาร์และ ว, วันอาทิตย์ตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะดิฉันก็จะได้รับโอกาสที่จะมาเป็นผู้แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่จะได้สนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอก ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภ พ, พาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์นี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่15ตุลาคมนะคะเป็นวันแรมสามข้ามเดือน11ก็เพิ่งจะออกพรรษากันมาได้ประมาณสักวันนี้ก็เป็นวันที่สนะค ะ, ะในเช้าวันนี้เนี่ย ดินก็อยากจะข อ, อนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้อมสักการพระอาจารย์ไับุญอภิพุโนโแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะชี้แจงแสดงธรรมหรือว่าให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องซึ่งดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศกําลังใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่ขณะนี้พี่น้องในหลายจังหวัดของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิจังหวัดนั้นเนี่ยมีอุอทก ภ, ภัย น้ำท่วมอย่างรุนแรงและเกินซึ่งก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอประเทศไทยก็ว่าได้นะคะที่ว่ามันจะมีการท่วมอย่างมากมายเป็นจำนวนมากเช่นนี้ในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดพระนครศรียุทธยานครสวรรค์ น, นะคะแล้วก็ที่ในขณะนี้ก็คือไล่มาเกือบจะถึงกรุงเทพก็คือที่จังหวัด ประทุมธานีและนนทบุรีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงมีพี่น้องประชาชนเราเป็นจำนวนหลายแสนคนคะ่ะที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ในขณะ น, นี้ที่จะต้องอลำบากลาบนนะคะต้องอยู่ในสภาพที่บางท่านก็กลายเป็นผู้ต้องอบพยบไปอยู่นะศูนย์พักพิงผู้อพยบนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะขอให้ท่านพระารอาจารย์ไพบุญอภิพุนโนคะ่ะท่านได้มาสนทนารรหรือว่าสากชาัช้าเพื่อ ปอบประโลมใจท่านผู้ฟังที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ในขณะ น, นี้ประสบภาวะทุกข์ยากนะคะก็ขอเชิญท่านผู้ฟังตามมากราบนมัสการพระอาจารย์ไปบูรณาพิบูรโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพรนสาธุเจ้าค่ะ <Yeah. S 1> อย่างที่โยมกลืนมานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านแม้ว่าจะอยู่ในสภาพน้ําท่วมนัเจ้าค่ะแต่ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยออกอากาศ พร้อมกันทั่วประเทศนะเจ้าคะดังนั้นก็คงจะมีพี่น้องอาสามารถตามรับฟังข่าวคราวจากทางสถานีของเร า, าได้นะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะกอขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนเจ้าค่ะได้หยิบยกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะเจ้าค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับความทุกข์ต่างๆเพื่อปลอบประมให้ท่านได้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรชุ่มชื่นหัวใจสักนิดนึงในขณะที่กําลังตกลุกได้ยากอยู่ขณะนี้เจ้าค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ก็ต้องพูดถึงวัาสถานการตอนนี้เรื่องน้ําท่วมมันก็ไปทั่วหลายๆจังหวัดในภาคกลางแล้วผเดินใจเนาะเจ้าค่ะทั้งภาคกลางภาคา ภ, าคภาคตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็ทางใต้ก็มีนะเจ้าคะ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว่าร้ายแรงเท่าขนาดนี้ที่เรากําลังเจออยู่ในภูมิภาคไร่ตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนจนกระทั่งมาถึงภาคกลางในขณะนี้เจ้าค่ะใช่<ะ>ใชอันนี้คือบางท่านก็จะมีพอเริ่มมีความทุกข์เนี่ยก็จะต้องเริ่มมาสนใจธรรมะอันนี้เป็นเรื่องที่จะว่า เป็นเรื่องดีก็ไดนะ้เรื่องความทุกข์ที่เราจะต้องพบเจอเนี่ยทำให้เราไมโอ้ยอะไรมันจะช่วยได้นี่ขนาดว่าภัยธรรมชาตินะคุณดินใจคือเราไม่สามารถจะเรียกได้ว่าจะป้องกันยังไงอะ่ะคื อ, ค, อคือมันก็ป้องกันได้เท่าที่เราป้องกันได้ถูกไหม เ, เพราะฉะนั้น เ, เ, เ, เรื่องที่มันแทบจะป้องกันไม่ได้เลยเนี่ยนะเหมือนอย่างเช่นภัยธรรมชาติบุญชาเคยยกตัวอย่างน้ําท่วมใหญ่นี่ครั้งหนึ่งยกตัวอย่างครั้งที่2มีกบฏ เกิดขึ้นแบบกบฏ ท, ที่ไม่สามารถเวลาบ้านเมืองมีการประท้วงอย่างที่เราเคยมีมาอย่างเงี้ยนะนั่นเนปะ็ น, นปอันที่สองแล้วอันที่สมก็คือไฟไหม้ครั้งใหญ่ซึ่งบางคนหลายคนก็จะคิดว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหเหลือที่จะเหลือที่จะปิดกัน้นเหลือที่จะควบคุมได้ว่า ง, งั้นเถ อ, อะอ่ก็จะค่อยๆแก้ปัญหาไปอันนี้ก็เป็นความทุกข์อ่าที่เราต้องพบเจอเป็นธรรมดา ทีนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างกระแสน้ําที่มันมาเนี่ยมันจะมาไหลท่วมเราเนี่ยนะ เ, เราต้องไม่ตามกระแสเพราะพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของอุปมาอุปไมยว่ามีชายคนหนึ่งนะคุณท่านเขาเขาไปอยู่ในกระแสน้ำเนี่ยว่ายน้ําเล่นอย่างเพลิดเพลิ น, ลนใจสบายเลยเแล้วก็มีบุรุษอีกผู้หนึ่งอยู่บนฝั่งนะคนที่อยู่บนฝั่งเนี่ยไม่ได้รับความเดือดร้อนสบายใจอยู่เนี่ยก็มองเห็นคนข้างล่างเนี่ย พบว่าอา้าวถ้าคุณเล่นไหลไปตามกระแสน้ำนี่นะทางข้างล่างเนี่ยเบื้องน้าข้างล่างเนี่ยจะมีห่วงน้าซึ่งมีน้ำวนแล้วก็คลื่นแล้วก็มียักษ์แล้วก็อสูรกายอยู่นะซึ่งเราจะต้องวหาทวนกระแสน้ำตรงนัน้นมาเข้าใจว่าเวลาคนที่เขาประสบอุทธกภัยอย่างนี้นะคนที่อยู่หน้าในสถานการณ์เนี่ย <c oughs> โอ้จะมีความทุกข์มากทั้งห้องน้าเอย้ยเรื่องอาหารการกินเอย เรื่องอะไรต่างๆนี่นะที่มันจะไม่เหมือนกับปกติที่เรามีชีวิตอยู่ตามธรรมดาใช่ไหมทีนี้มันจะมีเรื่องที่จ ะ, จะเกิดขึ้นในสถานการณ์อย่างนั้นเช่นว่าเอ๊ะถ้าเราไปตามกระแสะเนี่ยตามกระแสะก็คือว่าหาอะไรที่มันง่ายๆทำนะอย่างเช่นว่าไปลักขโมยบ้างนะไปปล้นจี้ไปผิดศีลไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันนี้คือพูดถึงการไปตามกระแสะของกิเลสตามกระแสะของตัณหาเจ้าค่ะนี่ก็คือว่าเราถูกท่วม บ้านเราท่วมเราอย่างใจเราถูกตันหาถูกอวิชาถูกกิเลสท่วมทับอีกอย่างนี้ย้ายเป็นเพราะฉะนั้นผู้ที่ประสบ <Okay. S 1> ภัยเนี่ยจะต้องทวนกระแสนะทวนกระแสในที่นี้คือทวนกระแสของสิ่งที่ไม่ดีนะอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีข่าวลืออะไรต่างๆนี่มันมาท่วมทับจิตใจเรา <Okay. S 1> ในสถานการณ์น้าข่าวลืมก็เยอะนะคุณเตือนใจจะมาได้ยินว่ามีข่าวอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรต่างๆเยอะแยะนะซึ่งเป็นข่าวที่ไม่ดีไม่ดี <Okay. S 1> เกิดในพื้นที่บ้าง ดูซิขนัดอย่างตอนเนี้ยเขาก็จะมีข่าวหรือว่าน้ําจะท่วมใหญ่ขึ้นอะไรอีกต่างๆนานายิ่งเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกขึ้นมาใช่ไหม <Okay. S 1> ซึ่งเพราะว่าเราอาจจะ <Okay. S 1> เสพข่าวมากเกินไปทําให้นอกจากน้ําท่วมแล้วยังใจเรายัางท่วมข่าวอีกเพราะฉะนั้นก็คิดปปว่าเราปปจะต้องทวนกระแสตรงนี้ <S <S> <S นะเพราะอะไรคุณตือนใจเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ใจเราไปตามกระแสนะอย่างเช่นว่าอุ๊ยอันนี้ง่ายขโมยคนไม่อยู่บ้านเราไปเอา นะอันนี้ เ, เป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคือแน่นอนเราก็ยิ่งจะแย่นะคือเราทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราแย่และโดนทั้งทางกายโดนทั้งทางใจเพราะฉะนั้นเราต้องทวนกระแสนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทวนกระแสเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจิตเราจะเศร้าหมองพอจิตเศร้าหมองแล้วเนี่ยมันจะคิดหาคือจิตจะไม่เป็นสมาธิละพอจิตเศร้าหมองต้องคอยมาระวังใช่ไหม พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเราจะไม่เป็นสมาธิในการที่จะคิดหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องบอกว่าคือเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่แบบบางทีมันน้ําขึ้นแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยท่วมถึงอกเลยอย่างเงี้ยเนาะเท่าที่ฟังข่าวอย่างเงี้ยน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการคิดการวิเคราะห์อะไรของเราเนี่ยจะต้องเรียกว่าอย่างฉับไวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วคนที่จะทําอย่างนั้นได้คุณตนใจเขาจะต้องมีคุณสมบัติ ของความที่จิตเนี่ยต้องเป็นหนึ่งจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมันคิดดูถ้าบอกว่าน้ํามันเริ่มขึ้ น, ข, นขึ้นมาเนี่ยคนอยู่ในหน้า ง, งานอยู่ในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบเนี่ยเขาจะมาตื่นเต้นตกใจไปตามกระแสข่าวนั้นข่าวนี้โอ้ตัดสินใจอะไรไม่ถูกซ้ายขวาหน้าหลังน้ําท่วมเลยอย่างงี้นะแต่ถ้าคนปปที่เขามีกําลังใจมีกําลังจิตในที่นี้ก็คือว่าไม่เล่นไม่วิ่งเอ้าไปข้างหน้าไม่แล่นกลับมาข้างหลังแต่ว่าใจเนี่ยทาให้นิ่ง นาะใจทำให้ไม่ไหลไปตามกระแสนั้นกระแสนี้เนี่ยเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างฉับไวได้อย่างถูกต้องเนาะอันนี้ ค, คือสำหรับคนที่อยู่หน้า ง, งานอยู่ที่ได้ประสบผลความน้ำท่วมนะประเด็นแรกก็คือ อ, อย่าให้ใจของเราถูกกระแสน้ำพัดพาไปด้วยนะให้ตั้งมั่นอยู่เพราะว่าถ้าใจเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่เราจะตัดสินใจอะไรต่างแก้ปัญหาได้ดีนะประการที่2ก็คือว่าอย่าให้อ่ ข่าวสารเรืองต่างมาท่วมทับเรามากนะให้ตัดสินใจไปตามเหตุตามผลเนาะน้ำมันก็จะ <Okay. S 1> พัดพาไปสู่ที่ต่ำนั่นแหละแต่ใจเราให้อยู่สูงเราต้องเอากายเอาใจเราไว้ที่สูงมันถึงจะปลอดภัยแล้วก็ไม่ให <Okay. S 1> ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอยากเข้ามาในจิตของเรานะในเรื่องเช่นนี้ก็คือว่าการทาไม่ดีเช่นว่าคิดไม่ดีพูดไม่ดียางเงี้ยยิ่งมันจะต้องช่วยเหลือกัน คนจะช่วยเหลือกันได้เนี่ยเขาจะต้องยิ่งพูดดีคิดดีทำดีแล้วคนสำหรับคนที่อยู่ข้างนอกพื้นทีนะ่คนที่อยู่ข้างนอกพื้นที่ก็คอยช่วยเหลือคือเราจะเห็นตัวอย่างเลยนะอันนี้พระพเจ้าเคยพูดถึงเอาไว้พูดถึงกับคนที่ประสบเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่พอใจอันนี้พระุธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับม้าอาชานายคยเตือนใจมีม้าอาชาไยตัวหนึ่งฝึกดีแล้วนะตัวแรกเนี่ย ต้องเอาแค่เห็นเงาประตักคือก็จะมีคนฝึกม้าใช่ไหมคนฝึกม้าเนี่ยเขาจะยกประตักขึ้นเป็นสัญญาณพอยกประตักขึ้นเป็นสัญญาณเนี่ยม้าก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าถอยกลับไปข้างหลังตามคำสั่งใช่มม้าตัวแรกเนี่ยก็พอเห็นประตักเห็นเงาประตักปุ๊บก็เคลื่อนตามที่สั่งเลยนะแต่ว่าม้าตัวที่สองนะม้าตัวที่สองเนี่ยต้องให้คนฝึกเนี่ยเอาประตักเนี่ยเข้าไปโดนเนื้อซะก่อนถึงจะเคลื่อนไปได้ นะส่วนม้าตัวที่สามนี่ต้องเอาประดักจิ้มลงไปทะลุหนังเข้าไปจาะอยู่ที่เนื้อทะลุหนังเข้าไปให้มันสะเทือนสักหน่อยให้มันเจ็บเจ็บนิดๆแล้ต้องโดนแทงอต้องโดนแทงซะก่อนค่ะส่วนตัวที่สี่เนี่ยต้องโดนแทงทะลุเข้าไปจนถึงกระดูกนะทะลุเนื้อเข้าไปจนถึงกระดูกถึงจะเริ่มรู้ว่าเออฉันต้องเดินหน้าฉันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับอเมื่อเวลาที่เราเจอ เห็นตัวอย่างของความตายหรือว่าความที่เราไม่พอใจนะกรณีแรกของอม้าที่แค่เห็นเงาประตักก็เคลื่อนเนี่ยก็คือคนที่ อ, อย่างเวลาเราดูเอาง่ายๆ ย, ยกตัวอย่างธรรมดาเราเห็นญี่ปุ่นเกิดสึนามิอย่างเงี้ยเราเห็นญี่ปุ่นเกิดสึนามิาเนี่ยคนที่เป็นม้าอาชานัยประเภทแรกเนี่ยนะเขาจะระวังตัวเลย เอาตายแล้วญี่ปุ่นนี่ก็ยังเกิดสึนามิได้นะเขาอยู่ศาสตร์ป้องกันอย่างดีมีระบบเตือนภัยสึนามิยังโดนขนาดนั้นเลยโอ้ตายแล้วเราต้องรีบเตรียมตัวเพื่อที่ว่าเวลาที่ภยัยเหล่านี้มาถึงเราเนี่ยรเราจะไม่เป็นผู้เดือดร้อนใจจะยังเป็นผู้ผาสุกอยู่ได้นะอาจจะมีการเตรียมการชเช่นาการเตรียมการทางจิตก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมอ่านหนังสือธรรมะมากขึ้นอันนี้เตรียมการนะการเตรียมการทางกายก็ย้ายไปอยู่ที่สูงหรือว่ามีการเตรียมการอะไรต่างๆนานาอันนี้คือประเภทแรก นะส่วนประเภทาม้าประเภทที่สองก็คือว่าคนที่เรารู้จักอย่างเช่นว่าเราเห็นประสบเห็นด้วยตัวเองอย่างคนภาคอีสานอย่างเงี้เห็นคนภาคกลางมีปัญหาน้ําท่วมคนภาคเหนือมีปัญหาน้ําท่วมภาคอีสานนี่ไม่โดนนะคุณเดินใจอย่างจังหวัดอุดรธานีอย่างเงี้ยที่วัดป่าดอนไหสกก็แห้งสนิทเจวันมาแล้วไม่มีฝนตกเลย อ, อย่างเงี้เป็นต้นนะเราพอเราอมองเห็น<ต>เหนตุการณ์จังหวัดก็ท่วมนะเจ้าค่ะใช่ภาคอีสานบางจังหวัดก็ท่วมนะ นะแต่อุดรธานีานี่ยังปลอดภัยอยู่โดยเฉพาะที่วัดก็ยังสบายอยู่ น, นิดหนึ่งเพราะเราเห็นแล้วเนี่ยถ้ามาประเภทที่สองเนี่ยก็จะเกิดความที่ต้องตระหนักละว่าโอ้ยมันไม่เที่ยงเลยมันไม่แน่นะเมื่อวานยังสบายอยู่วันนี้เกิดมาท่วมจนมิดหัวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยระวังนะเราต้องเป็นผู้ที่คอยฝึกเมื่อเวลาที่ความปัญหานี้มาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ อยู่พาสุขอยู่ได้อันนี้ประเภทที่2หรือประเภทที่3ามนะคือญาติตัวเองโดนนะคือเราเห็นข่าวเห็นอะไรเนี่ยมันเห็นข่าวในเมืองไทยใช่อยู่นะแต่ถ้าไม่ให้เป็นญาติเราเป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เรารู้จักเนี่ยจะไม่กระเทือนใจเท่าไหร่นะม้าอาชะนายประเภทที่3เนี่ยคือคนที่พระพาุาเปรียบเทียบว่าเมื่อเห็นเพื่อนเราญาติเราพ่อเราแม่เราพี่น้องเราคนที่เรารู้จักเนี่ยประสบปัญหาอย่างคนที่มีญาติอยู่ ในบริเวณที่น้ําท่วมอย่างเงี้ยแต่ตัวเองไม่โดนเนี่ยคุณยิ่งจะต้องร้อนใจขึ้นมาเลยว่าโอ๊ยฉันจะต้องมาคอยระวังนะเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้เมื่อเวลาเราเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยเราจะได้เป็นผู้อยู่ผาสุกได้นะอันนี้คือประเภทที่สามส่วนคนประเภทที่สี่ที่พระพระทุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับม้าที่โดนถูกปะตักแทงเข้าไปจนถึงกระดูกเนี่ยนะคือคนที่อยู่ในสถานาการณนะ์ถูกน้ําท่วมแล้วเนี่ยก็ยังทําใจให้ เรียกว่าออกมาจากห่วงทุกขนั้นได้นะไม่ไปโทษฟ้าฝนคะือบางคนเนี่ยไม่มีอะไรโทษก็โทษท้องฟ้านะไม่มีอะไรโทษก็โทษรัฐบาลโทษแผ่นดินโทษคนนู้นโทษคนนี้มันไปหาโทษใครไม่ได้หรอกค่ะเอ่อถึงแม้ว่าเราจะเงินหายเราจะเจอความทุกข์อื่นๆนะที่ไม่ใช่ความทุกข์เกิดจากน้ําท่วมจุ๊ค่ะอย่างเช่นว่าตกงานอ่าคนไม่รักอ่าหางานไม่ได้ออย่างนี้เราก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปโทษคนอื่นได้ นะเราก็ต้องหาทาง <Okay. S 1> แก้ในจิตของเราเองซึ่งถ้าคุณสามารถแก้ได้คุณจะเป็นม้าอาชไนประเภทที่4นีะ่คืออยู่ในสถานการณ์เราก็เอาจิตของเราเนี่ยให้ออกมาจากความทุกข์ตรงนั้นได้นะก็คือว่า <Okay. S 1> คนจะต้องไม่ไหลไปตามกระแสะแห่งความชั่วนะแล้วก็เราจะต้องทราบว่าไอเราธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่มีเวลาที่จะต้องมาอยู่ในสถานการณ์เท่านั้นคืออย่างสถานการน์น้ําท่วมนเห็นชัดเจนนะคุณเตือนใจ หรือว่าเจอความทุกข์อื่นๆเนี่ยเวลาเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เรามานั่งสมาธิอ ข, อขอเขาเดี๋ยวๆขอเวลาห้านาทีนั่งสมาธิก่อนทําใจก่อนมันไม่มีอะไรนะคุณจอนใจ<ว adam>มันมามมเวลาเอเอมันมานี่มันตุบ<า>เลยโอ้โหไม่ได้มีการเตรียมการนะหรือว่าความทุกข<ช>์มันมาเนี่ยมันกระแทกจิตเราเนี่ยคนด่าใส่หูเราเนี่ยเขาไม่มารอเวลาให้เดี๋ยวเธอไปทําสมาธิมันด่าเราตอนที่เราทําสมาธิ หรือว่าดอรอดา่าเราตอนที่เราจิตสบายมันไม่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เป็นผู้ที่อย่าประมาทนะอย่าประมาทต้องคอยระวังภัยอยู่ตลอดเวลาภัยในที่นี้นี่ก็คือหมายถึงภัยที่เกิดจากความชั่วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอย่าให้เข้ามาจิตะนะทางกายเนี่ยอย่างเช่นม่าเกิดน้ําท่วมเราก็ค่อยแก้ไปตามเหตุตามผลเพราะว่าถ้าจิตเราเนี่ยจิตเราอยู่ในแดนลบนะคุณเตือนใจเราจะไม่สามารถ คิดแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหนั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งจะส้าหนั ก, ก น, นี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ถูกลูกศรยิงทีหนึ่งละอย่างคนที่อยู่ในสถานการณ์น้ําท่วมนะถูกลูกศรยิงทีหนึ่งละที่กายกใช่ไหมน้ําท่วมแล้วโอโ้โหชีวิตชันทํามาทั้งชีวิตบางคนพังไปเลยเพิ่งลงทุนลงงานใหม่ๆก็น้ําท่วมหมดเลยก็มนะีหรือว่าเพิ่งย้ายมาที่นี่ก็ถูกน้ําท่วมอีกอย่างเงี้ยนะ ก, นะก็โดนโดนลูกศรแทงแล้ว1ดอก นะโดนความทุกข์เขาแล้วหนึ่งทางยิ่งถ้าใจเราปล่อยให้มีความทุกข์ไปด้วยนะคิดหาขนทางแก้ไขไม่ได้ไปทำความชั่วทำความไม่ดีด่ากันว่ากันนี่โดนดอกที่สองนะโดนดอกที่สอง <c oughs> อเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไม่ให้เราถูกลูกศรดอกที่2แทงนะส่วนคนที่ยังไม่โดนนะก็ต้องคอยมอีความไม่ประมาทคอยระวังอยู่ตลอดเวลาให้จิตของเราอยู่ในแดนบวก ล่ะเห็นเป็นตัวอย่างในการแก้ไขอย่างนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ภัยบูลนภิปโนโดได้นิตาที่จะสักษาหรือว่าสนทนาทำรร ม, มาตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะเจ้าคะโยมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็โยมอยากจะข อ, อะกราบที่จะรินถามเพิ่มเติมนะเจ้าคะว่า อ, อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเราต้องทําตัวให้เป็นม้าอาชารนายถูกไหมเจ้าคะใ่ใที่จะมีสติมีอะไรต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ไม่ไหลไปตามข่าวอันนี้เนี่ยโยมอยากจะขอหยิบยกขึ้นมาโยมทํางานอยู่ในด้านของสื่ อ, อนะเจ้าคะ่ะก็จะมีปัญหามากเลยเรื่องของข่าวลือเจ้าคะ่ะที่ทางรัฐบาลเองหรือว่าผู้ทํางานเนี้ยต้องมาคอยแก้ว่ามันไม่มันไม่เป็นความจริงอันนี้เจ้าคะ่ะโยมอยากจะขอ พระอาจารย์พยบู์เจ้าค่ะได้พูดสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่ยังมาซ้าเติมนะเจ้าค่ะเพื่อนร่วมชาติที่ลำบากอยู่แล้วรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายรัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยที่ตราตรำที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเนี่ยแต่แทนที่ตัวเองจะ เขาเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำนะเจ้าค่ะมาสร้างข่าวแล้วก็ส่งกต่อกันทางเว็บไซตบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้นี่นี่โยมคิดว่าบาปหนามากเลยพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แจงหน่อยเถอเจ้าค่ะว่ามันคนประเภทนี้นี่มันก็ต้องได้กรรมยังไงบ้างเจ้าค่ะแต่ว่าจะเข็ดหราบกันบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคือเรื่องของของเจตนาถ้าเขาเจตนาไม่ดีนี่เขาก็โดนแน่แหละนะคือเดี๋ยวนั้นวินาทีนั้นเนี่ยเขาจะมีความจิตเขาจะร้อนล่ะ นะแล้วก็ถ้าเขาพูดวาจาที่ยุยงให้แตกกันใช่ไหมทำมากๆทำบา่อยๆก็จะเป็นไปเพื่อนรกกาเนิดเดราชฉานเปริสัยแล้วผลที่จะเห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะทําให้อ่าไม่มีคนคบด้วยนะเป็นไปเพื่อการแตกจากมิตรอันนี้ก็เป็นผลที่เขาจะต้องได้รับเองทีนี้จึงต้องเตือนผู้ฟังด้วยนะว่าก็อย่างที่คุณตือนใจทํางานอยู่เนี่ยข่าวลือก็มากใช่ไหมแล้วต้องถามคุณเตนใจ ว, ว่าคุณเตือนใจแก้อย่างไรเรื่องพวกข่าวลือต่างๆ ก็คือในศูนย์ปฏิบัติการหรือสอปพนี่นะเจ้าค่ะที่ทางท่านพลตํารวจเอกประชาพรมนอกได้รับมอบหมายให้เป็นเป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ยเจ้าคะ่ะท่านนายกรัฐมนตรีสั่งมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยแต่ละวันที่เราไปทํางานที่ศูนย์แห่งนี้นะเจ้าค่ะเราก็จะต้องนำอํำหมายถึงแก้ไขปัญหาอย่างทันทุกทีเป็นเป็นจุดเดียวนะเจ้าค่ะที่จ ะ, ะส่งความช่วยเหลือไปอย่างบางจังหวัดเนี่ย อยากจะได้เรือท้องแบนด์อยากได้นู่นได้นี่เรารีบจัดส่งนะเจ้าคะกองกำลังทหารทหารบกฐานเรือฐานอากาศนี้รวมกำลังช่วยกันอย่างเต็มที่แต่ก็จะมีอยู่อันหนึ่งที่ท่า น, นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะเจ้าคะท่าน อ, อนุดิษฐ์นะเจ้าคะ uh huh. ท่านก็จะมีกังวลว่ามันจะมี forward mail เจ้าคะที่ส่งต่อต่อการใช่ใชเป็นข่าวที่เหมือน หวังดีแต่ประสงค์รายอย่างนั้นนะเจ้าค่ะดังนั้นเราก็จะต้องพยายามที่จะชี้แจงทุกๆุกวันแล้วก็มีตัววิ่งออกกางหน้าจอต่างๆขอความร่วมมือช่องต่างๆนะเจ้าคะแล้วทั้งประกาศทั้งในรายการอะไรต่าง ๆ, ๆนี่เจ้าค่ะต้องคอยแก้ไขแล้วก็พยายามบอกประชาชนว่าต้องฟังแต่เฉพาะข่าวที่มันเป็นความจรงิงจากแหล่งขา่ขาวก็คือจากสพจรงิงๆเนี่ยอนี้เจ้าค่ะนี่คือประเด็นที่เราเราแก้กันตามเฉพาะงานถูกไ้มแก้กันเฉพาะหน้า ม, มีอันนี้ออกมาแล้วก็แก้มีอันนี้ออกมาแล้วก็แก้อันนี้ไม่ตรงแล้วก็พูดใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นทางแก้วิธีหนึ่ง <Okay. S 1> นะวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ทางแก้ธรรมะเนี่ยก็คือแก้ที่ผู้รับฟังเลยนะถ้าผู้รับฟังเนี่ยเป็นคนที่มีสตินะคอยรู้จักกลั่นกรองนะมีการพิจารณาให้รอบคอบก่อนเอาอย่างง่ายๆที่อาตมาพูดถึงว่าการไม่ตามกระแสข่าวหรือว่าไม่ให้จมอยู่ในข่าวเกินไปเนี่ยถ้าเขารักษาจิตของตัวเองได้ใช่ไหมด้วยการให้ธรรมะไป เขารักษาจิตตัวเองได้ข่าวดีมาเขาก็สบายใจข่าวไม่ดีมาเขาก็สบายใจข่าวลือมาเข า, า, ขาก็สบายใจข่าวจริงมาเขาก็สบายใจสบายใจเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะสามารถจิตของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะวิวิเคราะห์เพิจารณาสิ่งต่างๆ ต, ตามเหตุผลที่มันเป็นใช่ไหมแล้วก็สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการที่จะทําหรือจะไม่ทําหรือจะทําอะไร เพราะนั้นตรงนี้จึง<ช>อาจารย์มาจึงพูดถึงประเด็นที่ว่าเออคุณอย่าตามกระแสมากนะอะไรดีอะไรที่เป็นวาจากุศลคือคือเขาเรียกว่ามาตรฐานที่พระเจ้าให้มาเนี่ยมีอยู่แล้วนะคือเรื่องของศีลห้าคุณอย่าผิดศีล น, นะอันที่สองเรื่องของวาจาไม่พูดสอดเสียดไม่ไปพูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าทุกคนรักษาตรงนี้ได้หมดนะไม่ว่าคุณจะอยู่ถูกน้ําท่วมอยู่คุณเป็นคนที่ไปนะช่วยน้ําท่วมใช่ไหมโอ้มันจะมีความสามัคคีกัน หนึ่ออเมั้ยจะไม่มีใครด่ากาันกล่าวร้ายกันเสียดสีกันยุยงกันจะไม่เป็นนะเข้าใ จ, จผิดตรงนู้นตรงนี้บ้างมันจะถูกรีบแก้ไขไปเพราะทุกคนอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะคือมาตรฐานที่เป็นธรรมเป็นวินัยอย่างนี้ ซ, ซึ่งตรงนี้มันจะต้องอาจจะต้องมีหน่วยงานหนึ่งนอกจากจะไปช่วยเรื่องของทางกายแล้วใช่ไหมก็จะต้องมีหน่วยงานที่ไปช่วยเรื่องทางใจด้วยให้ข้อมูลข้อมูลเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ข้อมูลเชิง เชิงข่าวสารหรือว่าเชิงการแก้ปัญหาแต่เป็นชอคข้อมูลทางด้านจิตใจยอย่างเนี้ยนะซึ่งก็คิดว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยได้ทำผังรายการช น, นิดที่จะมีอเขาเรียกว่าอะไรช่วงที่ช่วงที่มีการตอบปัญหาเรืน้ำ <ขา S 1> ท่วมเกิดกับเรื่องเรื่องน้ําท่วมเนี่ย <ขา S 2> ก็จะมีตล <ขา S 2> อ, อดเวลาอก็ะอจะมีอาตมาไปไปออกอยู่ด้วยช่วงหนึ่งก<ม>็นิมนต์มาเจ้าค่ะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะก็ยอมคิดว่าตรงนี้เจ้าค่ะ ก็เป็นเรื่องดีที่พระอาจารย์พบูลเมตตาที่จะชี้แนวทางนะเจ้าคะ่ะสําหรับคนที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นสรุปแล้วก็คือเราต้องอมีสติตั้งมั่นถูกไหมเจ้าคะเราไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายที่เป็นคนที่โดนน้าท่วมเองหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทนความยากต่างๆเหล่านั้นได้แล้วก็แก้ไขปัญหาของเราอย่างมีสตินะเจ้าคะแต่สําหรับคนที่ ถ้าเปล่อไม่มีสติเนี่ยเจ้าค่ะคิดว่าพระอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟัง่างบ้านหลายท่านคงจะเห็นว่าพอไม่มีสติแล้วเนี่ยพอจิตเราไหลไปไปตามกระแสเนี่ยก็มีการทะเลาะ ก, กัน อะไรต่างๆนะเจ้าคะว่าชั้นกั้นไอ้นี้ไว้มีการลื้อไอ้ที่กั้นน้าอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะถ้าเราทรําจิตให้สงบแล้วก็คิดเมตตากนันนี้คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะมันจะเป็นอย่างนี้คนที่จิตไม่ไม่สามารถทนต่อสิ่งพวกนี้ได้เนี่ยนะจะมีในสองกรณี ค, คือกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นคนที่ร่ำให้คร่ําครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้ออันนี้ก็มีเราก็เห็นตามข่าวก็มีร้องให้ฟูมไฟล์อะไรต่างๆ หรือประการที่สองก็จะเป็นผู้ที่กระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเจื่งแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะถ้าออกมาเป็นสองกรณีนี้ไม่กรณีในกรณีหนึ่งเนี่ยแสดงว่าจิตเราแตกแลนะ้จิตเราไม่สามารถรับสถา น, นการณ์นี้ได้แต่ถ้าคุณควบคุมตรงนี้ได้อดทนอดทนอดทนนะดูพิจารณาให้เรียบร้อยทำจิตให้สบายนะเห็นความเป็นเหตุเป็นผลอย่าให้ใจเราไหลไปตามสิ่งที่ไม่ดี นะแล้วก็เราจะสามารถตัดสินใจแก้สถานการณ์ได้ตรงนี้นี่คือประเด็นนะแล้วก็ <Okay. S 1> บุคคลที่ <Okay. S 1> มาคอยช่วยเหลือก็ช่วยเหลือเต็มที่นะบุคคลที่รับการช่วยเหลือก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยนะช่วยเหลือเพืนะเ่อนบ้านด้วยมันไม่มีเวลาไหนคุณตือนใจที่จะมาทดสอบความสามัคคีกันของคนชนในชนชาติในสังคมเท่ากับเวลานี้เวลาเกิดสถานการณ์ขึ้นคุณตือนใจนะแล้วไอ้คุณคธรร ม, มอ่าแล้วเวลาคุณธรรมตรงเนี้ย มันจะถูกทดสอบแล้วทดสอบอีกนะอย่างเมื่อต้นต้นปีนะสถานการณ์ประท้วงนะก็มาทดสอบความสามัคคีของคนไทยไม่แตกแย ก, กเป็นกลุ่มเป็นเหล่านะตอนนี้มันก็มาทดสอบอีกนะมันจะทดสอบอยู่เรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเราจะผ่านจนกว่าเราจะละเอียดลงละเอียดลงอืเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้น่าคิดมากเลยนะเจ้าค่ะที่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยเรา ทั้งประเทศนี่น่าจะถือว่าวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสจริงไหมเจ้าคะที่จะแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเจ้าคะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่จะทําให้ประเทศชาติของเราโดยการนําของรัฐบาลเนี้ยได้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปกันให้ได้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใชแล้วก็จะขอสรุปตรงนี้เลยว่าคือคนก็มีคนส่วนหนึ่งที่โดนถูกไหมก็จะมีอีกคนอีกส่วนใหญ่ที่ไม่โดน นะเพราะนั้นเราก็ถึงจะต้องสามคัคคีกันนะอยู่ในหมู่ชนชุมชนไหนเราเห็นตัวอย่างคนที่เห็นตัวอย่างก็คอยระวังนะช่วยเหลือคนที่อประสบอุทกภัยคนที่อยู่ในสถานการณ์เองนะก็เห็นตัวอย่างแล้วก็คอยอดทนคอยแก้ไขไปเป็นเหตุเป็นผลอย่าให้ใจของเราลงไปในแดนลบเท่านั้นเองก็จะแก้สถานการณ์ได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะและจากการที่โยมก็เป็น คนคนนึงที่ได้มีโอกาสเข้าไปทํางานที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือน้ําท่วมของทางรัฐบาลนะเจ้าค่ะยมก็รู้สึกอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งเจ้าค่ะที่ณศูนย์นั้นเนี่ยมีน้องๆ น, น, นักเรียนนิสิตนักศึกษาเรียงรวมทั้งที่ทมีอายุเป็นผู้ใหญ่นะเจ้าค่ะ ม, มีอาสาสมัครมาช่วยทํางานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยเลยจึงไม่ใช่เฉพาะที่ศูนย์นะเจ้าค่ะเราจะเห็นข่าวในทั่วประเทศเลยอันนี้เนยมคิดว่าเป็นสิ่งที่ แสดงให้เห็นว่าเลือดไทยนั้นเนี่ยในที่สุดเราก็รักสามัคคีกันนะเจ้าคะ่ะแล้วทุกคนก็ทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์กันจริงๆทั้งดารานักร้องนักแสดงต่างๆรวมกําลังกันมาให้กําลังใจใแล้วก็หาเงินมาเอาที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งสิ้นเลยเ<อ>จ้าคะ่ะ อ, อันนี้เป็นเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่หาได้ยากผู้รูเช่าพูดถึงบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกดีมากๆเลยน่าบูชาอย่างนี้น่าบูชาเจ้าคะ่ะอื เจ้าค่ะและเราก็ถือว่าการที่เราได้ไปทํางานตรงนั้นเนี่ยเหมือนเราได้ทําเพื่อพี่น้องร่วมชาติในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าสบายใจและได้บุญด้วยนะเจ้าค่ะใช่ใช่ดีมากๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอําลาจากกันแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะว่าเวลาในรายการธรรมราบปรุนเช้าวันนี้หมดลงเลยนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้มัศการขอพระคุณแล้วก็กราบลาพระอาจารย์ไพบุญและพีปุโนพร้อมกันค่ะ ในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งเรากลับมาพบ ก, กันใหม่นะคะในวันเช้าวันอาทิตย์ค่ะสำหรับเช้าวนันนี้ขอกราบน้มสักการลาพระอาจารย์พิบูลอภิปุโนเลยนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพรดลฟานสาธุเจ้าค่ะ